หาความสุขความสงบไม่ได้มีแต่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะความเบียดเบียนกันเพราะความ <c oughs> อิจฉากันธ <c oughs> รรมจึงเป็นเรื่องสำคัญควรนำมาประดับกายวาจาใจของตัวคนมีธรรมเท่านั้นที่จะทาตัวของตัวและโลกให้สงบเย็น คนไหนมีอาจมีทําอยู่ในฐานที่ใดเกี่ยวข้องกับใครมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะในมีอาจมีทำในจิตในใจทําอะไรไปตามความอยากของตัวไม่ดีคิดนึกแต่คนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรสัตว์อื่นเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาทํากับเราเขาปูดกับเราอย่างนี้ มันไม่บกคิดเข้ามาภายในเพื่อจะยับยัง้งทังชวงจิตใจเหตุนั้นโลกจึงป่วนปันโลกจึงเดือดร้อนเพราะความเอาลัดเอาเปรียกกันเพราะความเดยดเบียนกันเพราะควา ม, มเห็น อ, อกเห็นใจกันขาดทำแค่อย่างเท่านั้นโลกก็ไม่น่าอยู่น่าอาศัยหมายถึงโลกทั่วไป โลกภายในคือจิตของเราก็ทำนองเดียวกันเมื่อไม่มีทําแล้วจะไปอยู่ตาในที่สงบส ง, สงัดขนาดไหนใจมันก็ฝุ่งก็ปลุกก็คิดก็นึกก็ยิ่งก็เจี่ยวทั้งๆ ท, ที่ไม่ไดีประกอบจิตการงานอะไรนั่งหลับตาภาวานาอยู่แต่มันก็วุ่นวายเดือดร้อนบังคับมันไม่อยู่ยิ่งไปสู่อารมณ์อันนะั้ยนยิ่งไปสู่อารมณ์อัน จริงๆมันควรกําหน่ำยินดีมันก็เผยเพลินบ่าบอไปทั้งๆสิ่งที่สิ่งนั้นไม่มีในสถานที่ที่เราอยู่จริงๆเราอาคาดพยาบาททั้งๆสิ่งนั้นล่วงไปไร้ชะหลายวันหลายเดือนหลายปีแต่นำมาคิดมาปุงนั่นก็เดือดร้อนแผดเผา ต, ตัวเองขึ้น มันในสงบสงบเพราะจิตของเราอยู่ในฝั่งในสาในขอบเขตของอัดของธรรมถ้าเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในวงของธรรมมันสงบ ม, มันสบายมันไม่วุ่นวายเกี่ยวข้องในเรื่องภายนอกดังนั้นทุกคนที่สนใจในอัดในธรรมจงมีสติ อล้ยอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาเวลาทำความเพียรอย่าไปปล่อยให้สัญญาอารมณ์ต่างๆมายั่วยุทักจีงออกไปให้ตั้งใจกำหนดจิตของตัวไว้มีปัญญาแน้สอนใจว่าการคิดไปปล่อยไปมันไม่เกิดสาระประโยชน์ นี่หมายถึงจิตของผู้ที่ยังตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันกับเด็กถ้าเราจ่อยมันไปไมนมีผีเลี้ยงหรือคนดูแลมันอาจจะไปตกน้ำตกถ่าหรือไปตกบานตกช่องหน้าอันตรายมากเพราะมันไม่รู้จักอะไรแต่ผู้ใหญ่จะไปดังทับบัญชาให้อยู่ในขวบในเขด ไม่ไปเที่ยวที่ไหนหรือไปก็ต้อตงมีคนรักษาแบบนั้นไม่ถูกผู้ใหญ่หรู้จักสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ควรอิ่มเอียงสิ่งนี้ควรกระทำถึงไปนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านการงานที่เขาทำก่อประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของตัว และตัวเขาเองฉันใดจิตใจของท่านที่มีสมาธิมีปัญญาขอวท่านนองเดียวกันถึงปล่อยออกไปนึกคิด้างนอกก็ไม่เสียคือไม่นำความชั่วมาเผาตัวของตัวออกไปทำไปคิด้างนอกก็คิดเพื่อการเื่องงานเพื่อจะกำจัด ความสงสัยของใจขับไล่กิเลสปัญหาที่มีอยู่ไม่ใช่ออกไปเที่ยวนอกแล้วเกิดความเสียหายเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่รู้จักที่ควรไปควรมาควรทำควรพูดจิตใจของท่านที่ฝึกปฏิบัติถึงท่านมีปัจจนาเกิดทานองนั้นท่านปล่อยออกไปทีนี้พี่แจนะ เหนืดอยเหนื่อยเหนื่อยหิวก็กลับมาเข้าสมาธิแต่พวกเรามันไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีขอบไม่เขตไม่มีที่พักที่อาศัยไปกว่าจนไม่รู้จักจัดอยู่ก่อหลับไม่รู้จักตื่นมันผิดแบบนั้นจงพาการที่นิเทจนะศึกษาตัางหน้าปฏิบัติ ทำคำสอนของพระเจ้าเป็นของกลางเรามีสิทธิ์ทุกคนไม่ใช่ว่านักบวชท น, นั้นจะพอปฏิบัติกันนคาววาก็ปฏิบัติได้เมื่อใครมีอาจมีทาปฏิบัติถูกต้องตามศาสนาความสุขความสบายในตัวจะเกิดขึ้น คือไม่มีทางที่จะตำหนิตัวว่าเชื่อว่าเสียในการทําการผูกการคิดของปุ๋ยหนูตัวไม่มีทางตำหนิตัวในใจเข้าตัวว่ะเราทําทุกอย่างนี้ถูกต้องดีงามคนอื่นก็จะตำหนิเสื่โอ้กว่าฉั่งเขาเราทําถูกทางนั้นนี่คือเข้าตัว ตาทางสี่ตัวชั่วก็ถือว่าตัวดีในระเบียบนั้นส่ตรวตาที่เจนะทีท้วนเอาทำเป็นหลักเกณฑ์ถ้ามันถูกต้องตามอ า, ามตามตาทำแล้วมันไม่หวั่นไหวเขาติจินนินทาทั่วโลกคือเขาไม่เข้าใจความจริงที่เราทําเราพูดเราเห็นเราบําเพ็ญอยู่ เขาเข้าใจความจริงอย่างที่เราทำนี้ก็ไม่มีใครที่จะตันนิมีแต่คนจ ะ, จะชมชีมเฉยๆสรรเสริญเท่านั้นมีคนที่เขาตันมิกันเพราะเขาไม่เห็นความจริงที่เราก็ททำบาเพ็ญไม่ใช่เราทำด้วยความง่องเง่าทำด้วยขาดสติ ปัญญาขาดธรรมะทางใจถ้าเราทำเราพูดในทางอาัตทางธรรมถูกต้องดีงามทุกอย่างใครจะตำหนิหรือชมนั้นจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญเพราะความจริงเป็นอย่างไรจะประทับอยู่ในใจของตัวเองแต่คนส่วนมากที่ในนี้ธรรมะไม่อย่างนั้นถึงตัวทำผิดขนาดไหนมีใครเข้ามาแต่เตือน ว่าเก่านิดๆ น, นหน่อยเพราะว่าเขาดมูมินนินทาในยอมละในยอมแจกไขแบบนี้มันยุ่งใหญ่ยุ่งทั้งตัวเองยุ่งกับคนอื่นอีกเพราะอะไดิพิจารณาว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างไรส่วนทางธรรมนั้นเอาหลักธรรมเป็นสำคัญถ้ามันผิดเด็กเกิดวานนี้ มาบอกให้เตือนให้ก็ยินดีที่จะรับก็เพื่อปฏิบัติละเวน้นจากสิ่งที่ตัวการทาบําเทนที่เห็นว่าผิดถ้ามันไม่ผิดถึงนักบาชอาจารย์ใหญ่โตขนาดไหนมาคนคขู่ว่าเธอทาไปนี้มันผิดก็ไม่ยอมเชื่อ เราตรวจตาที่ใจนะการกระทำของเราถูกต้องดีเหตุเขาตำหนิเพราะเขาไม่เห็นความจริงของเราทำเราบำเพ็ญมันเป็นอย่างนั้นกูจีนีทำจึงไม่ถือบุคคลเป็นสําคัญถือความถูกต้องเหตุผลเป็นสําคัญถ้ามันมีเหตุผลถูกต้องดีแล้ว ม่ว่าตั้งแต่ใครจะมาบอกมาสอนรับเป็นครูเป็นอาจารย์ท้งนั้นถือได้ทางนั้นถ้ามันในถูกต้องไม่มีเหตุผลคนคนนั้นจะมีคนเลื่อนใสศััท้าอยู่ทั่วโลกกอดตางเราจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในยินดีเต็มใจที่จะรับเอาคำของเขาดังนั้นมาปฏิบัต ที่เขาพูดเขาแน้สอนนั้นไม่ใส่ทำไม่ใส่วินียทีพระพุทธเจ้าแนะสอนเอาไว้ในนี้เหตุผลอะไรีควรนำมาประพฤติฏิบัติมันหนักแน่นอย่างนั้นสำหรับจิตใจของท่านผูกประพฤติฏิบัติทิฐิแข็งแข่งมากจะเรียนมาขนาดไหนถ้าหาก ทางด้านจิตใจไม่ได้ฝึกอบรมไม่ได้เป็นไปถูกต้องแล้วไม่ได้ถือเป็นสําคัญจะไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนตําหลับตำราอะไรอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นกฎทามแต่ท่านจะทําบําเพ็ญของ่านภายในเข้าใจในการละการบําเพ็ญอย่องกิเลสตัญหาพูดออกมาคําสองคำตอานั้นก็ถึงใจพอใจ นี่คือการประพัติปฏิบัติอาจทำจริงจังเอาเหตุผลที่กระทำขึ้นตัวของเราเองที่จะทำมมเพนเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้อย่างไรไปศึกษาตับท่านแบบนั้นถ้าท่านเป็นท่านเห็นจากการจะทำมอ ม, มเพนท่านจะตอบถูกจุดที่เราถามทีเดียว ไม่ได้อ้อมแอ้มไปที่ไหนและพูดออกมาจากความเป็นความเห็นนั้นมันหนักแน่นฟังมันถึงใจถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรพูดไปมันไม่ก่อประโยชน์ท้านลำคานหรือลำคาญใจของผู้ฟัง ีหมายถึงคูู้ประพฤติปฏิบัติทางจิตทางใจเป็นอย่างนั้นนด่นํออะไรมาสอนกันนําเรื่องที่เกิดขึ้นเ็นขึ้ น, นที่กระทาบ ม, มเพนมาสอนกันสำหรับตารานั้นยกบูชาไว้แต่ความเจนของจิตของใจนี้เห็นอย่างไรเป็นอย่างไรพูดกันตามเป็นจริงนันงเข้าใจกันพูดที่ประพฤติปฏิบัติ เป็นอาจเป็นธรรมจริงจังถึงท่านแต่เขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกก่อตั้งอย่างหลวงพ่อบัววัน้องแสงเพียงยะหาสักพีก็ไม่ถูกถ้าพูดตามหลักของโลกเพราะท่านไม่เคยศึกษาอ่านตำราต่งางๆก็ไม่เป็นแต่คนที่ขัดข้องทางจิตใจทางภาวานาไปศึกษาท่านไม่เคยจนในการแจ่มตอบ นี่คือท่านเป็นท่านเห็นภายในของท่านในการประพฤติปฏิบัติแต่จะให้พูดถูกต้องตามสมมติัางนอกมันถูกต้องในได้เพราะท่านไนเรยศึกษาแต่ถึงอย่างไรก็ดีจะไม่มีความรู้ฉลาดทันกับโลกเขาก็ตามขอให้ทั้งกับกิเลสตัญหาทั้ตงตัวละชั่วบำเพ็ญดีจนจิตหนักแน่นมั่นคง เย็นสงบเพียงเท่านี้ก็พอไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุขถ่ายจิตของตัวไม่ชั่วไม่เสียไม่ทุกข์ไม่ร้อนโลกอันนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้นให้สนใจมันพอมันเย็นมันสงบอยู่ภายในของตัวเลยเขาจะว่าชั่วว่าเสียขนาดไหนแต่ความสุขความเย็น สังเห็นความรู้ในจิตในใจนั้นถ้ามันยังห ว, วั่นไหวตามลนปากของเขานั่นคือเรายังไม่เข้าถึงอาจทำจรงิงจังเขาสรรเสริญก็ตืน่นเต้นเพราเนนทาก็เดือดร้อนนคือจิตใจใน่มีหลักธรรมถ้านี้จิตใจมีหลักธรรมจรงิงจังเขาสรรเสริญก็แข่นั้นเราเนีนทากดแข่นั้นความจริงเป็นอย่างไร ใจอยู่ในตัวของตัวนี่คือผู้ที่เห็นหลักเกณฑ์ของอดของธรรมจริงจังแต่นั้นพวกเราท่านจงหมั่นทีนี้ที่ใจนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติโอกาสเวลาบางสั่นบางคนก็หายากปลาเกศมาภาวนามาทำความผากความเพียนได้แต่ละวันแต่ละคืนเพราะการงานมันมาก เมื่อมาแล้วก็ต่างหน้าต่างตาจะให้ขาดทุนผลกําไรต่างใจกับทำเพื่อความสงบเย็นของตัวจะมีกําลังไปต่อสู้การงานต่อไปเพรใจสงบใจลงรวมมีกําลังเหมือนกันกับกายของเราได้พักผ่อนทานอาหารแล้วก็มีกําลังที่จะทําการงานสะดวกสบาย ถ้ากายไม่ไดพักผ่อน ไ, ไดทานอาหารอะไรการงานเบาก็เป็นการงานหนักไปของง่ายก็เป็นของยากไปเพราะไม่มีกำลังที่จะทำาังนั้นเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันหากบันไดพักผ่อนได้รับอัดทำ ท, ที่นี้พี่แจน่าแล้วมันมีกำลัง ที่จะต้านทางที่จะทํางานต่างๆได้แต่นั้นทุกท่านเมื่อได้สำหรับรับฟังทำอย่างที่อธิบายมาจงนําไปที่นิ้พิจารนามันเห็นว่าเป็นทางถูกต้องของจงต่างหน้าต่างตาขอพิชปฏิบัติเนื่อลงมือขอพิชปฏิบัติไปความสุขความสบายท้องใจถึงเราต้องการปรารถนาก็จะเกิดขึ้น การอธิบายธรรมะเข็นว่าพอตงควรใี้เวลาเพราะุติเพียงแค่นี้เอง